นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะพัทธลิสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่160มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวันารามของท่านนาทาตาบินไดกาเษตีในสมัยนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายและได้ตรัสคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารบนที่นั่งในอัสนะเดียวคือฉันครั้งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นเมื่อเราฉันอาหารบนที่นั่งอัสนะเดียวย่อมรู้สึกถึงคุณคือความเป็นผู้มีอาภาษ์น้อยมีโรคน้อยมีกายเบามีกําลังพลังและอยู่อย่างเป็นป่าสุขพิสูจ์ทั้งหลายแม้พวกเตอรทั้งหลาย ก็จงฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเถิดโดยว่าเมื่อเธอฉันอาหารบนที่นั่งอัศนะเดียวอยู่ความเบากายความมีอาพาธน้อยมีกำลังมีพลังธอเกิดขึ้นได้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุพัทธลิได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันอาหารบนที่นั่งอัศนะเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารบนที่นั่งอัสนะเดียวแล้วจะพึงมีความรำคาญความเดือดร้อนพระตาลิถ้าอย่างนั้นเธอรับนิมนตะ์ณที่ใดแล้วพึงฉันณนะที่นั้นเสียส่วนหนึ่งแล้วนาส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ก็จะยังชีวิต ให้เป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขาพระองค์ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นจะพึ่งมีความรําคาญความเดือดร้อนคันพันพัทลิประกาศความไม่อุสาหขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกาลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุ สงสมาทานอยู่ซึ่งศีกาบทครั้งนั้นแหละท่านพัะทธะลิไม่ได้ให้ตนประสบพระพักพระผู้มีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นทีเดียวเหมือนภิกษุอื่นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในศีกขาในคําสอนของพระศาสดาฉะนั้นก็ในสมัยนั้นแลภิกษุเป็นอันมากได้ร่วมทำจีวรกรรมสําหรับพระผู้มีพระภาค โดยตั้งใจว่าเมื่อทำจีวรถวายให้พระผู้มีพระภาคแล้วจะเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไปแห่งสามเดือนดังนั้นท่านพระพรัทลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับภิกษุพอกวดแล้วจึงนั่งลงนะที่กวนข้างหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระทรัทลิอย่างนี้ว่า พระทลิผู้มีอายุจีวรกรรมนี้แหละอันภิกษุทั้งหลายช่วยกันทําสําหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคมีชีวอลสาเร็จแล้วจะเที่ยวจ่าริกไปโดยล่วงสามเดือนนี้ท่านพระทลิเราขอเตือนท่านว่าจงมณสิการคือทําในใจความผิดนี้ให้ดีเถิดความกระทําที่ยากกว่าอย่าได้มีแก่ท่านในภายหลังเลย เมื่อท่านพระตลิรับคำของพิสุิ์หลนั้นแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตื่นที่ประทับก็ได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกอบความไม่อุสาหขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกําลัง ท, งทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิษุสงสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา ขอพระผู้มีพระภาคจงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพัะธลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อพิกสุสง์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบท ัทลีแม้เหตุที่เธอต้องแต่งตลอดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระทักกรสาพระถีแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงทราบเราว่าเราชื่อพัทลีไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหลเธอไม่ได้แต่งตลอดแล้วพัทลีเหตุที่เธอต้องแต่งตลอดว่าภิกษุภิกษุณี มากรูปด้วยกันเข้าจำบรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นจะรู้จากเราว่าเราชื่อพัทลิไม่ทำความบริสุทธิ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาทางนี้แม้เอตดนี่แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วพัทลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าอุบาสกอุบาสิกาจานวนมากด้วยกัน อยู่ในพระนครสาวัตถนี้แม้อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นก็จะรู้จากเราว่าเราชื่อพัทลิไม่ทำความบริบูรณ์ในสิค้าในคำสองของพระศาสดาแม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้แต่งตลอดแล้วแม้เหตุที่เธอต้องแต่งตลอดว่าสมณพราหมณ์ต่างลัทธิมากด้วยกันเข้าอยู่ในการฝนในพระนครสาวัตถีแม้สมณพราหมณ์เหล่านั้น จะรู้จักเราว่าเราชื่อพัทลิเป็นสาวกของพระสมณโคดมเป็นพระเถระองค์หนึ่งไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสองของพระศาสดาทางนี้แม่เหตุนี้แลเธอก็ไม่ได้แต่งตลอดแล้วข้าแต่พระผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศความไม่อุษาหักขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่เชิงสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสํารวมต่อไปเถิดผัดตลิเราขอเตือนโทษได้คราบงามเธอผู้เป็นคนบาล เป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาห์ขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุกำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทปทัทลิเธอจะสำคัญความข้อนี้ไว้อย่างไรภิกษุในธรรมะวินัยนี้ที่เป็นอริยะบุคคลประเภทอุพัโตภาควิมุตตประเภทปัญญาวิมุตตเป็นอริยบุคคลประเภทกายสขี เป็นอริยบุคคลประเภททิฏฐิปัตตเป็นอริยบุคคลประเภทสัทธาวิมุตติเป็นอริยบุคคลประเภทธรรมานุสารีหรือเป็นอริยบุคคลประเภทสัทธานุสารีอริยบุคคลทั้งหลายต่างประเภทนี้เราพึงกล่าวแก่อริยบุคคลเหล่านี้ว่ามาเถิดเราจะกล่าวไปในลมดังนี้ภิก ษ, ษุทั้งหลายเหล่านั้นพึงก้าวไป หรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือข้อนั้นหาไม่เลยพระโชค่าปทัทลิเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยที่เรากล่าวนั้นเธอเป็นพระเรียบบุคคลชื่อว่าอุปัโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสขีทิฏฐิปัสัตาวิมุตติธ ร, รมานุสารี หรือศรัทธานุสารีอย่างนั้นบ้างหรือหนอข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าปตาัตตลิในสมัยนั้นเธอเป็นคนว่างคนเปล่าเป็นคนผิดไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้กราบงามข้าพระองค์ผู้เป็นคนพานเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหขึ้นแล้ว ในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุกำลังสมาทานสิกขาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสมํารวมต่อไปเถิดะชก้พาพัตตลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนบานเป็นคนหลงไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศความไม่อุสาห์ขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังบัญญัติสีขาบทในเมื่อภิกษุกำลังสมาทานอยู่ซึ่งสีขาบทแต่เธอเพราะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอา น, นั้นก็ที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็จะทำคืนตามธรรมถึงความจารวมต่อไปนั่นจะเป็นความเจริญ ในอริยวินัยของเธอผู้นั้นพระสา บ, บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในคำสอนของพระศาสดาเธอมีความตำหริอย่างนี้ว่าถ้าใครเราพึ่งเสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาช่องห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัด ที่แจ้งหรือลอมฟังเิอบางทีเราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออริยะญาณทัศนวิเศษอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้บ้างหนังนี้และเธอนั้นก็เสพเสานาสนะอันสงัดเห็นป่านนี้เมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นพระาศาสดาก็ทรงติเตียนได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลาย เมื่อใกล้กลัวแล้วก็ติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้แม้ตนเองก็ติเตียนได้เธออันพระาศาสดาติเตียนบ้างอันเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนบ้างเทวดาติเตียนบ้างตนเองติเตียนตนเองบ้างก็ไม่ทําให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริย ผู้สามารถยิ่งกว่ารมของมนุษย์ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุนนั้นไม่ทําให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระผู้มีพระภาคส่วนเธอผู้ใดในธรรมะวันนี้เป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในคำสอนของพระศาสดามีความดำริว่าถ้าใครเราพึงจะเสพเสนาสนะ อันสังัดเธอนั้นก็เสพเสนาสนะอันสงัดเมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนี้พระศาสดาก็ไม่ทรงติเตียนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายเมื่อไร้ขุนแล้วก็ไม่ติเตียนเทวดาก็ไม่ติเตียนหรือแม้ตนเองก็ไม่ตีเตียนเธอได้เธอแม้ผู้อันพระศาสดาไม่ทรงติเตียน แม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้รู้ก็ไม่ติเตียนแม้เทวดาก็ไม่ติเตียนแม้ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้าผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เธอผู้นี้ครั้นสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลาย จึงเข้าถึงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สหรือชั้นที่สเป็นต้นศา ส, สดาก็ไม่ทรงตีเตียนแม้พเพื่อนผู้ประวิตรประมาจันผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ตีเตียนแม้เทวดาก็ไม่ตีเตียนแม้ตนเองตีเตียนตนเองก็ไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งกุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้า ที่สามารถกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้ข้อนั้นประเหตุอะไรเล่าพระเหตุว่าเธอนั้นเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาเธอนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ป่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวันไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุเพนิวาสานุสติยานน้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตยานน้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะกยัยานเธอก็สามารถทำเช่นนั้นได้ข้อนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะเธอนั้นเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกาทั้งหลาย ในครรมสอนของพระสัสดาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วท่านพระพัทลิได้ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวในแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะไม่ข่มแล้วข่มเล่า ซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้เป็นเหตุประชักขาพัตลิภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัตอยู่หนึ่งเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติเป็นอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากบกลืนทาความโกรธความขัดเกือง ความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่ทําขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทําตามความบาใจของสงฆ์ปะะัตลิในเหตุที่ภิกษุผู้นั้นเป็นผู้ว่ายากนั่นแหละภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัตเนืองๆ เ, เป็นผู้มากด้วยอาบัต เธออภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติเป็นอย่างอื่นนำเอาถ้อยคําภายนอกมากรอบเกลื่อนทําความโกรธความขัดเคืองความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทําขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทําความพอใจในสงดีละขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการที่อธิกรนี้ไม่พึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยประการอย่างนี้ปัตตลิพิสุท์ทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของพิกสุทธินั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะไม่ระ ง, งับโดยเร็วฉะนั้นปตัตตลิส่วนพิกสุทธ์บางรูปในธรรมวิเ น, นียร์นี้เป็นผู้ต้องอาบัตหนึ่งเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัต และในขณะที่พิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่แต่ว่าเธอนั้นไม่ฝ่าฝืนประพฤติตามด้วยอาการอย่างนั้นไม่นําถ้อยคําในปลายนอกมากรบเกลือนไม่แสดงความโกรธความเกิดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏประพฤติเป็นผู้ประพฤติชอบทําคนให้ตกราบเป็นผู้ประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทําตามความพอใจของสงฆ์พัตตลิ ในเหตุที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัตเนืองเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัตและในขณะที่ภิกษุว่ากล่าวอยู่ก็ยอมประพฤติตนทำตามไม่นำถ้อยคำในายนอกมากรบเกลือนไม่ทำความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ประพฤติชอบ ทำขนตกประพติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำความพอใจในสงดีละ่ะหนอท่านผู้มีอยูทั้งหลายขอพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรนี้จะพึงระ ง, งับได้โดยเร็วจนนั้นเถิดพัตลิอย่างนี้แหละเมื่อภิกษุทั้งหลายพิจารณาโทษของภิกษุผู้ต้องอาบัตโดยประการอย่างนี้อธิกรจึงจะระ ง, งับ ได้โดยเร็วปัตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมะวันไหนนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งบางกล่าวไม่มากด้วยอาบัติเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติด้วยอาการอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากรบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเกลองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบ ไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกและยังกล่าวว่าจะไม่ทำตามความพอใจของสงในเหตุที่ภิกษุนี้เป็นผู้ว่ายากอธิกรณ์นั้นจึงไม่พึงระ ง, งับได้โดยเร็วปะะัตาลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมะไว้หนนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางครั้งบางคราวไม่มากไปด้วยอาบัต และเมื่อพิกษุ์ทั้งหลายอันกล่าวอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ฝ่าฝืนไม่ประพฤติด้วยอาการอย่างอื่นไม่นำถ้อยคาภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเกืองความไม่อ่อนน้อมไม่ปรากฏประพฤติชอบเป็นผู้ทาขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าจะทำตามความพอใจของสงฆ์พทัทลี ในเหตุที่ภิกษุผู้นี้เป็นผู้ว่าง่าย น, นั่นแหละอธิกรจึงระ ง, งับได้โดยเร็วปัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพ่อประมาณในเหตุที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ดำเนินชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณ ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุรูปนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจักข่มแล้วข่มเล่าซึ่งพิกษุนี้แล้วทำให้เหตุด้วยความตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธอนั้นอย่าเสื่อมไปจากเธอเลยปัตลิ เปรียบเหมือนชนผู้เป็นมิตรอมาตยาติสายโลหิตของบุรุษผู้มีในตาข้างเดียวพึงรักษาในตาข้างเดียวนั้นไว้ด้วยความตั้งใจว่าในตาข้างเดียวของเรานั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเขาเลยนี้ฉันใดปัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมมาวัย น, นี้ก็ฉันั้นนำชีวิตไปด้วยความสถาบรอประมาณ ด้วยความรักพอประมาณในเหตุที่เธอผููนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจามีความคิดว่าจะขมขีภิกษุผู้นี้ด้วยตั้งใจว่าศรัทธาและความรักพอประมาณของเธอนั้ n จะได้เสื่อมไปจากเธอเลยปัญธรินี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยสําหรับภิกษุทั้งหลายที่จะข่มแล้วข่มเล่าในภิกษุบางรูป และนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะไม่ขมแล้วไม่ขมเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมบะอปใ น, นนี้ข้แต่พระองผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนได้มีสิขาบทน้อยนักเทียวแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอราถผลเป็นอันมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวนี้ ได้มีสิขาบทเป็นอันมากแต่พิกสุดดำรงอยู่ในอรัฐถผลน้อยนักปัตลิข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นทีเดียวเมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังเสื่อมพระสัทธรรมกำลังอันตรธานสิขาบทมีอยู่มากมายแต่พิกสุดดำรงอยู่ในอรัฐถผลน้อยนักพระศาสดายังไม่ทรงบัญญัติสิขาบทแกสาวกทั้งหลาย ตราบเท่าที่ทำเครื่องเศร้าหมองบางอย่างยังไม่ปรากฏในภิกษุษสงฆ์ก็ต่อเมื่อใดที่ทำเครื่องเศร้าหมองบางอย่างปรากฏขึ้นในสงฆ์ในธรรมะวันห น, นี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดทำเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้นและทำเครื่องเศร้าหมองบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ ในตามมาไว้ในนี้ตราบเท่าที่สงยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่พอเมื่อสงถึงความเป็นหมู่ใหญ่เมื่อนั้นธรรมเรื่องเศร้าหมองบางเหล่าจึงจะปรากฏขึ้นในหมู่สงเมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดธรรมเรื่องเศร้าหมองเหล่านั้นและธรรมเรื่องเศร้าหมองบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสง ราบเท่าที่ภิกษุสงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศยังไม่ถึงความเป็นพระหูสูตรยังไม่ถึงความเป็นผู้รัตันยูต่อเมื่อสงเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบเลิศ ด, ด้วยยศเป็นพระหูสูตรเป็นรัตันยูเมื่อไหร่เมื่อนั้นทำเครื่องเศร้ามองบางอย่างจึงปรากฏขึ้นในครั้งนั้น พระศาสดาจึงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดทำเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้นพระจาลีเธอยังมีอะไรน้อยนักครั้นเมื่อเราได้แสดงธรรมะปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในาหนุ่มให้แก่พวกเธอทั้งหลายเธอยังระลึกถึงอุปมาปุ่ใหม่นั้นได้อยู่หรือกราแตพระองค์ผู้เจริญ ข้ออุปมาเรื่องนั้นข้าพระองค์ระลึกไม่ได้แล้วพระเจ้าข้าพระตลีในข้อที่ระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยอะไรเป็นเหตุเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเหตุว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้ทําให้สมบูรณ์ด้วยศีกขาในคําสอนของพระศาสดามาสิ้นเวลานานลแล้วพระเจ้าข้าพระตลีนั่นไม่ใช่เหตุนั่นไม่ใช่ปัจจัยหลอก ที่แท้นั้นเราคอยจับดูใจของเธอด้วยใจของเรามาช้านานจนทราบว่าโมคร บ, บุรุษเช่นเธอนี้เมื่อเรากําลังแสดงทำอยู่ก็หาได้ทําตนให้เป็นคนมีความต้องการด้วยธรรมะไม่กลับไม่สนใจไม่ประมวลเอาเข้ามาด้วยใจทั้งหมดไม่เงียโสดคอยลงสดับฝั่งธรรมะปะัตตลิ ก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมะปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มให้แก่เธอซ้ำอีกเธอจงฟังธรรมะปริยายนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวแันนี้คือเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนก่อน เมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวนบังเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆเข้าก็หมดพยศ ในข้อที่ไม่รับสวมบังเหียนนั้นและเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซากๆเข้าจนหมดประยชน์ในก้อนนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกมา้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อมานั้นถูกฝึก ให้รู้จักการเทียมแอกอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นค่าศึกเป็นหลักต่อเซฟหิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างมานั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ำ ซ, ำซากๆเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นปัตตุลิเมื่อใด ม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้าๆซัซกๆเข้าจนหมดพยศในข้อที่ไม่รับแหกนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกมา้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการแยกขากระโดดแพร่ขึ้นพร้อมกันทั้งสีขาในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธ ที่ตกดินได้ในการสามารถวิ่งจดแต่ปลายกรีบจนไม่เกิดเสียงในความเร็วทั้งทีหนีทีไล่ในการไม่กลัวเสียงอึ ก, กทึกทุกชนิดในการรู้คุณค่าของพระราชาในการทําตัวให้สมกับเป็นวงพระยามา้าในความเร็วอันเลิศในความเป็นยอดหมา ในความที่ควรแก่การฟังแต่คำที่นิ่มนวลม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำาๆำซัำซกๆากเข้าก็หมดพยศต่างๆในสิบข้อเหล่านั้นเมื่อใดม้าอาชาในพันธีตัวนั้นถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำซาๆำซกัซกๆาเข้าจนกระทั่งหมดพย์ทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้า ก็ย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปโดยทั้งคุณภาพและกำลังเมื่อม้าอาชในายพันดีที่ประกอบด้วยองคุณสิบอย่างเหล่านี้แหละย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยเป็นราชพานาได้และนับว่าเป็นองค์อวัยวะคู่บารมีของพระราชาด้วยจนะนายกระฉนั้น เธอผู้ใดเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสิบอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นผู้กวนแก่ของบูชากวนแก่การต้อนรับกวนแก่ของทำบุญกวนแก่การทำมัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสิบอย่างคือเธอนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะสัมมาวายามะส ม, มาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสิขะเธอะผู้ใดเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสิบอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก็ของบูชาควรเก่บการต้อนรับควรแก็ของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่น ยิ่งไปกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระสุตรนี้แล้วท่านพระพัตธลิชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคฟังธรรมคำพุทธ